เพราะความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายใต่ลมประโภธิาณในวันนี้ก็จะนำเสนอปฏิจจสมุปบาทในช่วงดับคือสายดับเขาเรียกว่าปฏิโลมคือเป็นการแสดงถึงผลจากการประพฤติปฏิบตัติตามหลักของอริยมรรคในองค์แปดประการ ซึ่งคนนี้เราจะต้องมองไปที่ประธารมเทศนาที่รับสั่งเล่าแก่พระปัญญวกีวารีมากเป็นองแปดประการที่ส่งดำเนินไปนั้นก็ได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าจักขุคือดวงตาปัญญาขึ้นสร้างญาณคือความรู้ขึ้นแล้วก็ทำให้กิเลสมันสงบก็ เ, เรียกอุปสมายะ คือเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้ดีแล้วก็เป็นไปเพื่อความดำวันก็เวลาทรงแสดงเนี่ยทรงแสดงถึงตัวตัวผลกระทบจากการกระทำให้สมบูรณ์ในอะไรมรคยงแปประการเพราะเราจะไม่เห็นตัวมัดเพราะตัวมัดนั้นจะอยู่เบื้องหลังคล้ายๆกับ เปิดสวิตไฟนะเราจะเห็นแต่แสงสว่างแต่เราไม่ได้สืบสาวไปว่าแสงสว่างนั้นมาจากการเปิดสวิตไฟก็ทรงสแสดงว่าอันหนึ่งพราะวิชานั้นแหลดดับโดยไม่เหลือด้วยมัชคือวิราคะสังขารจึงดับทีนี้วิราคะเนี่ยมันเป็นภาษาใช้แทนชะแทนชื่อของ ผลรวมแห่งอะเรมัคเปโองแปดประการคือในภาคสนามจริงๆเนี่ยอะเรมัคเปโองแปดประการที่จริงมันมีองค์เดียวนะฮะมร์เดียวแต่ว่ามีองค์ประกอบอยู่แปดอย่างแล้วมองค์ประกอบแปดอย่างนั้นสมบูรณ์เนี่ยเขาเรียกว่ามร์กษาบังคีคือปนึกเป็นเนื้อเดียวกันได้เนี่ยมันจะเกิดอาการที่เราเรียกว่าสมายานคือความรู้ในทางที่ชอบขึ้น แล้วจิตก็จะวิมุตต์คือหลุดพ้นจากอํานาจของกิเลสเพราะฉะนั้นวิราคะนี่เป็นชื่อของวิมุตต์อย่างหนึ่งก็คือชื่อของนิพพานนั่นแหละแต่ว่าเป็นผลที่ต่อเนื่องกันเลยนะคล้ายๆกับเราจับน้ําแข็งกับความเย็นเนี่ยสัมพันธ์กันเลยเป็นอาการที่ต่อเนื่องกันตอนเมื่อวิราคะเกิดขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าพวกที่ตรงกันข้า ม, มากับ พวกกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยมันต้องดับหมดก็ทํานองคล้ายๆกับแสงสว่างเกิดเนี่ยความมืดมันก็ดับหมดในจุดที่แสงสว่างเขาแผ่ไปถึงแต่ตรงนี้มันเป็นเรื่องภายในใจนะฮะในใจของเรานั้นเราจะเห็นว่าสิ่งที่มีอยู่ภายในใจเราเนี่ยคือใจนี่เขาเป็นกลาง แล้วก็มีสิ่งที่เราเรียกว่ากุศลธรรมะกุศลธรรมะปยากตาธรรมะหรือสํานวนธรรมะท่านเรียกสํานวนอภิธรรมนะเรียกว่าเจตสิกธรรมคือสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงจิตก็คือเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเป็นกลางกลาบ้า ง, นางในตัวกลางๆนะไม่ค่อยอะไรเทลายหรอกแต่ตัวยุ่งที่สุดก็คือตัวอกุศลและตัวแก้ปัญหากุศลก็คือตัวกุศลมันก็อยู่ในในที่เดียวกันในจิตด้วยกัน เพียงแต่ว่าไม่ปรากฏด้วยกันไม่ปรากฏร่วมกันคือในขณะใดที่กุศลมันเกิดในขณะนั้นนะกุศลก็ดับแต่ในขณะใดที่อกุศลมันเกิดกุศลก็ดับรเราเป็นลักษณะต่อสู้แบบชักเยอรอกันลองสังเกตว่าเราทำดีอะไรไม่ได้ตลอดเราทาชั่วก็ไม่ได้ตลอด นั้นก็แสดงว่าความคิดมันขึ้นขึ้ น, น ล, งลงลงเปลี่ยนแปลงไปตามแรงกระตุ้นจากข้างในบ้างข้างนอกบ้างเราจะหาคนที่เรียกว่าหนักแน่นมั่นคงเป็นตาทีโนคือคงที่จริงๆเนี่ยคงคงที่อยู่ในกุศ ล, ลกรรมจริงๆก็คือพระอรหันต์เท่านั้นเองมาหาคนที่คงที่อยู่ในกุศลไม่ได้แต่ว่ากุศลระดับกายกรรมวจีกรรมเนี่ยมันเราก็เริ่มมาจากนี่แหละเริ่มมาจากปุสสดบันเนี่ย แต่ท่านก็ยังมีอกุศสนบางประการอยู่ภายในจิตเพียงแต่ว่าไม่ได้ออกมามันก็มีปัญหาระดับมโนกรรมแต่ไม่มีปัญหาระดับกายกรรมกับวิจกรรมโดยสารมันชนทั่วไปเนี่ยเป็นพวกไม่เสมอคือประพฤติการประพฤติปฏิบัติไม่เสมอลักษณะอารมณ์ลักษณะสังคมความรู้สึกมางทีก็เป็นลมเพลิงพัดจะเอานิ้ยาอะไรไม่ค่ได้ แต่ในที่นี้เป็นการแสดงผลสูงสุดคือการดักแต่ว่าเป็นการพูดตัวผลนะฮะหรือตัวเหตุไม่อธิบายไว้แล้วก็สงรงอธิบายละเอียดไว้ที่ธรรมจักรกัปตันสูตรอธิบายตัวอริมักเนะี่ยอริมักในธรรมจักรก็ที่จริงมันยังไม่ละเอียดนะคือไปอธิบายละเอียดไว้ในที่ตั้งหลายเช่นมัคควิภั์ณฑสูตรมาสติปัฏฐานสูตรเป็นต้นในจะอธิบายโดยละเอียดพอสมควร แต่ในที่อื่นจะมีความละเอียดมากกว่านั้นเพราะอะริยมรรคที่จริงมันเป็นที่รวมของกุศลธรรมส่วนเหตุทั้งหลายนะอธิบายลึกซึ้งยังไงก็ได้ได้เพียงแต่ว่ามันดูกลุ่มของผู้ฟังเท่านั้นเองก็ทรงแสดงว่าเพราะสังขารดับเนี่ยวิญญาณจึงดับ ปัญญาดับนามรูปดับนามรูปดับอายตนาดับอายตนาดับปัสสะก็ดับปัสสะดับเปทนาดับเปทนาดับตัหาดับตนาดับอุปทานดับอุปทานดับพบดับประพบดับชาชลาโมณะโสกกะปิเทวทุกขโทมนะอุปายาทั้งหมดเนี่ยฮะมันเป็นผลมาจากเกิดเท่านั้นเองแต่เราไม่เกิดมันไม่มีอะไรเลยนะฮะทั้งชราโมนะโศกกะปิเทวทุกขโทมนะอุปายาตกองทุกทั้งหลายจะเรียกสักกี่ร้อยก็ได้มันไม่มีอะถ้าเราไม่เกิดมา เพราะฉะนั้นในตรงนี้ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นการถ้าเราจะเทียบเหมือนกับหัวรถจักรรถไฟทัานกบูรวนี่ถอดถวดหัวรถจักรก็จบแล้วไม่ต้องพูดอะไรมากถอดหัวรถจักรได้อย่างอื่นก็ดับหมดหนึ่งก็หยุดไปทั้งกระบวนการประเด็นที่ควรจะเข้าใจในกรอบหรือนิยามของเขา อวิชานั้นคือความไม่รู้ในอริยสัจทั้งสี่ประการไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตอานาคตไม่รู้ในกฎของปัจจัยการตัวหลักจริงๆก็คือไม่รู้อริยสัจทั้งสี่ประการเพราะว่าเวลาพูดถึงตัวรู้เนี่ยจะพูดถึงความรู้ในอริยสัจเป็นหลักแต่เราจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยเราจะเริ่มที่สมาธิสมาธิก็คือเห็นใน อริยสัตว์ทั้งสี่ตามความเป็นจริงพอเห็นเสร็จมันก็กลายเป็นสมาญาณสมัยาณกับสมยัยมันก็ต่อกันไปก็แยกไม่ค่อทนันนะนะฮะโดยสภาพจิตธรรมดาของสามัญชนเนี่ยก็ไปแยกไม่ก่อยทันทีนี้เมื่อพวกเหล่านี้ไม่มีก็แสดงว่ากิเลสมันก็ดับดับหมดเมื่อดับหมดไอกรรมเนี่ยมั น, ม, นมันมี คือเวลาเราพูดกรรมเนี่ยเราพูดระดับของสังสารวัฏคือหมายความว่าคนที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยมันจะมีการพูดถึงกรรมแต่ทีนี้ไอ้ตัวกรรมมันมาจากกิเลสแล้วกราลาของกิเลสก็ดับเมื่อราขกิเลสดับอีกกิเลสที่มีชื่ออย่างอื่นก็ไม่ต้องพูดถึงมัน มันก็ชื่อว่าดับไปหมดคล้ายๆกับต้นไม้ที่ถูกถอนรากถอนโคนหมดเนี่ยเราไม่ต้องพูดว่าใบก็ร่วงลนกินก็หักอะไรไม่ต้องไปนั่งนับอย่างนั้นหรอกมันก็ตายหมดทั้งต้นนั่นแหละแต่ว่าเวลาเราพุทธเจ้าทรงอุปมาถ้าพูดถึงต้นไม้ในทรงอุปมาเด็ดขาดมากที่เราสั่งว่าถอนรากขึ้นมาแล้วก็สับแหลกให้ละเอียดแล้วก็เผาไฟแล้วก็ตําให้ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย คือตอนที่อ่าเนี่ยนักศึกษาว่าทําไมพระพุทธเจ้าส่งออปมาหนุเดือนอย่างนั้นโอปปาเฉียบขาดมากคือไม่เหลือเชื้อไมา้าอยู่เลยอ่ะต่อมาก็เพิ่มรู้ในปัจจุบันเนี่ยรู้ว่ามันสามารถจะเพาะกับเนื้อเยื่อนี่ได้เนื้อเยื่อทุกส่วนของต้นไม้เวลาเนี่ยสามารถเอาไปปลูกเป็นต้นไม้ชนิดนั้นได้คือเพาะเชื้อขึ้นก็ทําให้ทึ่งในสรรพยุติญาณนะ ถ้าดูประมาแสดงว่าพระเจ้าก็ทรงรู้เรื่องหล่นนี้ว่าต้นไม้นี่นิดเดียวท่านเด้งก็ไปปลูกได้แล้วเนื้อเยื่อของต้นไม้นิดเดียวก็ไปปลูกได้เพราะก็ทรงสนรอนด้วยอุปมาให้เห็นแต่ว่าเราก็ไม่มีพื้นฐานความรู้ในการคิดนะในตอนแรกๆเนี่ยเราก็ไม่นึกผมมันก็ปลูกได้โดยรากปลูกได้ด้วยเม็ดปลูกได้ด้วยจริงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็พูดกันได้ขนาดนั้นก็ไม่ได้นึกว่าไวส่วนต่างๆที่จริง ของกิ่งเป็นต้นเนี่ยเอามาปลูกได้เอามาเพาะเชื้อเป็นเนื้อเยื่อนี่ได้ทีนี้เมื่อกิเลสมันดับเนี่ยกรรมก็ยุติเพราะงั้นการกระทาอย่าลืม่าตรงนี้ไม่ได้พูดถึงตายนะฮะไม่ได้พูดถึงตายแต่พูดถึงการดับกิเลสเขาเรียกว่ากิเลสนิพานไม่ใช่พูดถึงขันธอนิพานกิเลสมันดับ กิเลสมันไอ้คือกรรมระดับก่อนนะกรรมระดับก่อนคือดับตั้งแต่ตั้งแต่กรริเลตดับหมายความมาจากจุดนั้นไปเนี่ยตลอดพระชนมาชีพของพระพุทธเจ้า 45, สี่สิบห้าพรรษาเนี่ยการกระทาทั้งหมดการเทศการสอนโดยเหน็ดเหนื่อยลำบากมากมายไก่กองเนี่ยตะคิดแต่ผลรรมันนะฮะพระพุทธเจ้าไม่ได้บุญเลยนิดเดียวเขาเรียกว่าเป็นศักดิ์แต่วกิริยาเพราะว่า อย่าลืมบุญก็นำไปสู่สังสารวัตรนะบาปก็นำไปสู่สังสารวัตรผลตัวกิเลสกรรมเนี่ยเขายึดโยงกันอยู่ถ้ากิเลสดับกรรมก็ต้องดับก็ทำให้ไม่มีอะไรไปสร้างวิญญาณวิญญาณเลยต้องดับวิญญาณในที่นี้หมายถึงปฏิสนธิวิญญาณท่านสาธุชนบางท่านอาจจะอ่านพระไตรปิฎกนะเวลานี้พระไตรปิฎกแพร่หลายเยอะ คือถ้าเราไปดูในพระสูตรทั้งหลายเนี่ยเช่นหมานิทานสูตรเป็นต้นเนี่ยจะหมายถึงวิชีวิญญาณคือวิญญาณที่รับรู้ตาหูรูปเสียงกลิ่นรสปุถัภะธรรมลมทางประสาทสัมผัสทั้งห้าเนี่ยทั้งหกเนี่ยตัวยาลือ ม, มันนั้นก็คือตัววิญญาณนั่นเองนะฮะตัววิญญาณได้ไปถือปฏิสนธินั่นเองแต่ว่าเมื่อทําหน้าที่ปฏิสนธิแล้วก็ดับมันก็เกิดเป็นกระแสต่ตอไปก็เป็นวิชีวิญญาณ แต่ เ, เรื่องที่ต่อเนื่องถึงกันเพียนแต่ว่าจะพูดเรื่องอะไรล่ ะ, ละพูดในแง่ของทั้งสารวัตรก็หมายความว่าปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยมันดับดับมันก็ไม่มีนามารูปร้อนสถานที่เกิดอาการที่เกิดผู้ไปเกิดอะไรของพระพุทธเจ้าของพระอาจ์ทั้งหลายนี่ไม่มีเราจึงเห็นหลักคือของพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่าไปยุ่งกับท่านนะ่ะ ในความทัาสอนว่ายังไงเรามีหน้าที่อธิบายไปตามนั้นอย่าไปตัดต่ออย่าไปเพิ่มเติมอย่าไปปรับปรุงอย่ายุ่งเรามันไม่มีความรู้ลึกซึ้งขนาดนั้นหรอกตามเสด็จไปเลยโดยความเรียบร้อยแล้วจะไม่ขัดกันเองทรงแสดงว่ายังไงก็คืออย่างนั้นนะมันเป็นสัจธรรมมันไม่ใช่เป็นเรื่องทฤษฎีทางวิชาการที่จะเอามาวิพากษ์วิจารณ์มาแสดงความคิดความเห็น อย่างนั้นรายการตามหาแก่นธรรมนะลองสังเกตดูเถอะมันใช่ความเห็นใช่อารมณ์เยอะมันไม่ใช่อ่ะคือสัจธรรมเนี่ยไม่ใช่เรื่องอารมณ์ไม่ใช่เรื่องความเห็นแต่เป็นเรื่องความจริงความจริงมันเป็นอย่างนั้นนะรีโอตปะเป็นธรรมะคุ้มครองโลกมันก็คุ้มครองโลกได้จริงแต่ว่าคุณต้องมีก็พิสูจน์ทดสอบไปดูภายในใจเราถ้าจะเรามีรีโอตปะแล้วเราไม่ทําบาปเพราะเรารอายบาปเรากลัวผลบาป เราลังเกียจบาปขายะขแขยงที่แม้แต่จะคิดเนี่ยความคิดบาปมันก็ไม่มีไอ้ น, นั่นคือเป็นสัจธรรมและฮิริตัวเนี้ยไปอยู่ในใจใครก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้เพราะฮิริว่าไม่ได้พร่องไม่ไม่ได้หมดไปนะแลความมันมีอยู่ทุกขณะแหละเราจะให้เกิดภายในจิตเราขณะไหนก็ได้แต่ต้องเพิ่มปริมาณขึ้นให้มากเราจะคุ้มครองจิตจนหยุดการทําบาปพูดบาปคิดบาป และจิตใจจะไม่เพื่อนในบาปก็เป็นจิตใจที่ฟ่องแผลวนั่นเป็นสัจธรรมอ่ะสัจธรรมมันก็เหมือนกันน้ําแข็งเย็นไฟร้อนอย่างเงี้ยมันเป็นมันเป็นเป็นอย่างนั้นเนี่ยแล้วจะให้ทํำยังไงเวลาแสงสว่างเกิดความมืดก็หายอ้นั้นเป็นสัจธรรมมันไม่ใช่เป็นเรื่องความเห็นไม่เรื่องความเห็นได้อธิบายความเห็นไม่ได้เขาเป็นของเขาอย่างที่เขาเป็นคือเป็นอย่างที่เป็น ที่บางครั้งทันชายกับว่า ต, ตาตาคือมันเป็นในที่มันเป็นนั่นแหละมันเป็นยังไงมันก็เป็นของมันเองกันเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีนามรูปเนี่ยไม่มีนามรูปก็คือไม่มีชีวิตพูดง่ายๆอย่างนั้นเนี่ยพราะตัวรูปเนี่ยก็คือตัวตัวร่างกายนะที่ประกอบด้วยธาตุสี่ก็เรียกว่าอุปาทายุบีบสี่นะฮะหมาปูตรูปสี่ก็พูดพูดว่าธาตุสี่คือ คือพุ่งแงวดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณนะฮะรวมแล้วก็คือชีวิตเมื่อมีชีวิตมันก็ไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่จะเป็นรูปขลังเสียงเป็นต้นทีนี้ตรงเนี้ยที่จริงท่านมีตาหูจมูกลิ้นกายใจนะฮะที่นีตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่เพราะขันตรงนี้ตัวร่างกายเนี่ยตัวนามารูปมันเป็นวิบากขันเป็นขันซึ่งเกิดขึ้นมาจากกิเลสนั่นแหละกิเลสมันเพิ่งดับไปเมื่อตอนที่สัตวรุ ผลส่วนพระพุทธเจ้าเองในส่วนพระรูปปกายเนี่ยแล้วก็มีครบอ่ะมีนามีรูปมีอายตนะมีผัสสะมีเวทนาแต่ว่าไม่มีตัณหาเวทนาก็มีนะฮะเวทนาก็มีแต่ว่าไม่มีตัณหาก็ไม่มีปัญหาไม่ยึดติดอะไรร้อนก็สักแต่ว่าร้อนเย็นก็สักแต่ว่าเย็นหนาวก็สักแต่ว่าหนาวหิวก็สักแต่ว่าหิวไม่ไปเดือดร้อนอะไรกับสิ่งเหล่านั้นพระพุทธเจ้าคงเห็นรูปคงฟังเสียงคงดมกลิ่นคงลิ้มรสคงถูกต้องเย็นร้อนออ่นแข็งเหมือนเดิม แต่ว่าพระไทยไม่ฟูไม่แฟบไปตับไปตามอารมณ์ที่ที่มากระทบบางครั้งพระเจ้าก็เจอคนดา่าบางครั้งก็มีคนยกย่องสรรเสริญบางครั้งก็มีคนวางแผนวัตถุสลายอะไรสารพันธุ์กะนั้นก็คืออายตนะมันก็มีผัสสะในการกระทบไม่ใช่ไม่กระทบแต่ไม่มียึดติดในเวทนาเพราะการที่เรารู้สึกชอบไม่ชอบเนี่ยเราต้องมาจากปัญหามาอุปทาน แต่ถ้าเราไม่มีตัณหาไม่มีกิเลสในสิ่งเหล่านั้น mm. ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคล้ายๆกับอะไรล่ะคล้ายๆกับเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเขามีการขายตุ๊กตาเนี่ยเราก็ไม่สนใจที่จะดูเพราะเราเพบไม่มีตัณหาในตุ๊กตาตรงนั้นไม่มีอุปาทานในตุ๊กตาว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นญาติที่จะต้อง อ, อยู่ด้วยกันกินข้าวโดวยกันนอนด้วยกันมันไม่ได้คิดอย่างนั้นเนี่ยจิตมันยกขึ้นไปสูงแล้วเพราะแนวดับตรงนี้เป็นแนวที่ จะเห็นได้ถึงพุทธภาว ะ, ะภาวะของพระพุทธเจ้าที่เราสวดยกย่องสรรเสริญว่าพุทโธสุสุโธกรุณามาณโวเนี่ยอันนั้นคือผลรวมผลรวมจากการดับอวิชชาเป็นต้นมาเนี่ยมันก็ออกมาว่าภายในพระไทัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นปัญญาที่โพรงอยู่ตลอดเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยปัญญาพระทัยจึงบริสุทธิ์จาก อวิชชาเพราะว่าปัญญาบันดับไปแล้วนะก็ดับดับอวิชชาไปแล้วพระไทยก็บริสุทธิ์บริสุทธิ์จากสัพพกิเลส ท, ทั้งหลายเพราะว่าสัพพกิเลสมาจากอาวิชชาพระไทยก็บริสุทธิ์จึงมีโล ก, กทัศน์เป็นการมองโลกด้วยความการุณาเป็นอย่างเดียวเรามีกรุณาเสมอกันหมดพระเทวทัตเองได้กล่าวยกย่องพระพุทธเจ้าก่อนที่จะถูกทอนิสุ คือท่านทำอะไรเพียเพ้ยนๆไว้เยอะนะแล้วเกิดสานึกที่จะไปขอกมาลาโทษพระพุทธเจ้าพวกลูกศิษย์ก็บอกว่าอาจารย์ไปทําผิดกับพระพุทธเจ้าไว้เยอะแยะไปหมดเลยจะไปขอกมาโทษได้ยังไงท่านก็บอกว่าผมทํำก็ผมคนเดียวพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้คิดเพราะว่าพ ร, ระองค์มีพระทัยเสมอกันหมดในบุคคลทั้งหลายนะฮะเราจะเห็นว่ากุณาเหมือนกันหมดเลย อช่างนาราคิรีที่เทวทัตปล่อยมาให้แทงเราพุทธเจ้านะนายขมังธนูที่เทวทัตจ้างไม้ฆ่าเราพุทธเจ้าแล้วก็นายโจนองค์ุลิมาที่ล่ฆ่าเราพุทธเจ้าเทวทัตนี่ยจงล่างจงพรานหลายครั้งหลายครากับพระราหุลเนี่ยซึ่งเป็นพระอุรสในสมัยที่ยังไม่ได้สับปนวดนะพระไทยเสมอกันคือกรุณาเสมอกัน เป็นกรุณาดูดท่วงหมาดโนบดูดทะเลหลวงที่วัดสัตว์อะไรก็ตามอยู่อาศัยทะเลก็ให้ความดูแลรักษาไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยต่อสั ต, ต ว, ว์เหล่านั้นเพราะลักษณะเหล่าเนี้ยเวลามองเห็นคนสัตว์มันก็เกิดแต่กรุณาเห็นไหมเราจะเห็นว่าตอนอาญาตนาตอนผัสสะเนี่ย ภาษาก็เกิดการุณาเพราะว่ามองด้วยปัญญามองด้ดยปยัจจยบริสุทธิ์ก็มองทุกคนด้วยการุณาประเด็นที่น่าศึกษาคือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนแบบยอมรับสิทธิในลมหายใจเข้าออกปราณนะฮะคือปานาีิปาตาเนี่ยที่แปลว่าลมหายใจเข้าออกยอมรับนักถือปราณคือลมหายใจเข้าออกของคนของสัตว์ของพืช เป็นศาสนาที่สอนลึกไปถึงพืชพระเราเนี่ยนะพระนี่นะโยมฆ่าสัตว์เนี่ยเป็นบาปพระฆ่าสัตว์ก็บาปนะฮแต่โยมตัดพืชเนี่ยไม่บาปพระตัดพืชบาปปรับรบัติก็ถือว่าเป็นพระผู้ตะขาบบ้างนะะคือถ้าพืชที่ติดดินนีนเะะนนะ่เรียกว่าผูตะขาบแต่พวกพวกหน่อพวกเม็ดพวกอะไรต่ะใดที่มันปลูกนอกนี่เรียกว่าผีชขาด กระ่สงทรงบัญญัติแสดงไว้ระดับนั้นนั้นแสดงถึงการุณาที่ดุจท่วงมารณบแล้วเรามองสังเกตว่าถ้าเราเอนในยะนี้ในยะนี้ ส, สักครึ่งสักกึ่งหนึ่งที่ทรงสอนเอาไว้มันจะเกิดปัญหาที่เราเรียกว่าสภาพแวดล้อมหรือไม่ปัญหาสภาพแวดล้อมนี่มนุษย์ไปประทุษร้ายต่อธรรมชาติแต่ถ้าเราเคารพธรรมชาติเหล่านั้น สำนึกคุณของธรรมชาติไม่ทำสกรปรกลงไปมีนาทีท ร, รมีรุกธรรมมีพืชต่างๆเนี่ยอย่างที่เขาเชื่อถือแนวเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรแม่ประคอง้าแม่ประโภคศพแม่ปร ะ, ปรประทรณีอะไรต่างดูแลแคล้ายๆจะงงง่ายแต่ถ้าเราให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมเคารพรับถือในสภาพแวดล้อมนั้น ไม่ประทุสร้ายดินน้ำลมไฟอากาศเนี่ยปัญหาบนรพิษมันจะลดลงไปเยอะเวลาเนี้ยเราจะตายด้วยบนรพิษกันี่ยยังนึกน้อยใจว่าน้ําท่วมประเทศไทยน้ําท่วมแต่ต้องซื้อน้ําดื่มน้ําดื่มบางทีมันก็แพงกว่าน้ํามันเองขนาะน้ํามันแพงนะน้ําดื่มยังแพงกว่านี่เพราะอะไรเพราะว่าเราสร้างบนรพิษขึ้นมาหลักคําตรงเนี้ยถ้าถ้าเรามีปัญญาเข้ากํำกับเนี่ย มองเห็นคุณค่าของธรรมชาติคุณค่าของสภาพแวดล้อมของสิ่งทั้งหลายเนี่ยจะมีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองก็ตามแล้วเคารพสิทธิมีหน้าที่ในการปฏิบัติต่อสิ่งต่นด้านโดยความเอื้อเฟืออแล้วเกิดเป็นการรักขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามองด้วยความกรุณาต่อคนต่อสัตว์ต่อสิ่งเป็นรูปของสเพสตาเปศาตทั้งหลายทั้งปวง พระพุทธเจ้ามองสิ่งทั้งหลายจึงมองด้วยความกรุณาเมื่อมองด้วยความกรุณามันก็อาการก็อุปทานก็เลิกพบก็ไม่มีนะพบก็ไม่มีพระพุทธเจ้าจึงไม่มีพบพระไทัยของพระองค์นั้นมีแต่ภูมิก็เรียกว่าโลกรตรภูมิแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่มีพบที่จะไปอุบัติเพราะว่ากิเลสเป็นเหตุอุบัติในพบไม่มีกรรมไม่มีดับหมดกรรมก็ไม่มีวิญญาณก็ไม่มี ปัญญาที่จะไปถือไปชนทีินะฮะวิญญาณนี่อย่าลืมว่ามันเป็นผลมาจากกิเลสกับกรรมถ้าไม่มีกิเลสกับกรรมไปสนที่ปัญญามันก็เกิดขึ้นไม่ได้หรอกเป็นองค์ประกอบร่วมคล้ายๆกับที่ท่านบอกว่าวิญญาณเนี่ยเหมือนกับหน่อของพืชกิเลสเนี่ยเหมือนกับยางเดียวภายในพืชแล้วก็กรรมเนี่ยเหมือนกับอุณหภูมิหรือเนื้อนาทั้งหลายเนี่ยเห็นไหมองค์ประกอบสองประการนี้ทําให้พืชมันมแตกหน่อขึ้นมาได้ แต่ต้องประกอบสองปรการนี้เช่นว่าพืชมันแห้งกรอบหมดแล้วเอาไปไว้ที่อุณหภูมิดียังไงก็ตามมันไม่งอกนั่นก็แสดงว่าพั่ทั้งสามนี้ท่าดับสักอย่างมันก็ดับหมดเลยเราจะพูดจากปลายจากโคนก็ได้พอวิญญาณดับแสดงว่าสังขารก็ดับปวิชาก็ดับหรือพูดปวิชาดับหรือพูดสังขารดับนั่นมันก็เหมือนกันคือดับหมดและอย่างอื่นที่ต่อมาเนี่ยก็เลิกพูดมันก็หมดไปโดยธรรมชาติของมั นั้นก็แสดงให้เห็นถึงพระทัยของมุะเจ้าและก็จิตใจของพระหารว่าสมบูรณ์ด้วยปัญญาความมัสุดและก็ความการุณาต่อสรรพสัตว์ไม่เลือกชาติชนวรณะแต่ประการใดซึ่งเราสามารถที่จะอาศัยนยะหนึ่งโดยสติรอยอยู่คนบาทของพระองค์ไปได้ ถึงก็หมายความว่าให้กิเลสปัญจคลายลงไปนะฮะบาปน้อยลงบุญเพิ่มขึ้นรบแปงภพชาติให้ประนีขึ้นก็จะเป็นประโยชน์ทางในขณะปัจจุบันและก่อนขณะต่อไปต้องฟังทงั้งหลายใต้ร่มระโพธิยาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้องามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี